ข้าพเจ้าข อ, อนมัสการแด่พระนาถาพระองค์ใดผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาผู้ทรงกระทาซึ่งกรรมทั้งหลายที่กระทำได้ยากยิ่งนักตลอดกาลานานนับประมาณไม่ได้แม้ด้วยหลายโกรธกลับทรงถึงซึ่งความยากลำบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกโดยแท้ธรมะโยกับปโกตีหิปีอปประเมยัยงหาประมาณไม่ได้ไม่รู้กี่โกรธกับ บําเพนทานบรมีศีลเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจาทิฐานเมตตาแล้วเบคามาเนี่ยนับไม่ได้กรณีอย่างการที่ว่าทำเพื่อใครเนี่ยนี่ไงทำเพื่อพวกเราที่นั่งอยู่นี่ไงถ้าไม่มีพระบรมศาสดามาตัสรุนุตระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือดีคือชั่วแยกไม่ออกเลยอะขนาดนั้นเลยนะบุญกับบาปก็ไม่รู้ว่าอะไรอะไรคือสุดจริตอะไรคือทุจริต นี่เป็นขนาดนั้นเลยนะพาะ อ, อาศัยพระบรมศ า, ศาสดาซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยและพระ อ, องค์เนี่ยก็เห็นว่ากระแสของกระแสของขันธาตุอยายตนะของเราท่านทั้งหลายหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันกําลังเดินไปตามลําดับแตกดับเป็นไปตามดับเกิดสืบต่อเป็นไปตามลําดับในชีวิตประจําวันหนึ่งๆแล้วมันก็ไม่ขาดตอ น, นมันขาดตอนจริงมันก็เชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ในส่วจริงตัวภพชาติเนี่ยมันไม่ดับสัทีเพราะตัวกรรมที่มันมาทำใหม่ก็เยอะใช่ไหมอดีตกรรมก็ให้ใช่ไหมอดีตเหตุก็ให้ปัจจุบันผลว่าเราได้ปัจจุบันผลมาแล้วก็มาสร้างปัจจุบันเหตุอีกเอาวิชาตันหากรรมต่างๆก็มาสร้างกรรมใหม่อีกในสุวนจริงก็ได้อนาคตผลพอไปได้อนาคตผลกันมาก็ไปสร้างในเหตุในในอนาคตนู้นอีกก็ได้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยที่สุดจริงๆตัวนี้มันก็ไม่หยุด โดยส่วนใหญ่สัตว์ทั้งหลายลงที่ต่ำมากกว่าที่สูงเพราะพระมาร า, าสดาเนี่ยมีว่ามหากราุณาธิคุณพระองค์ก็ประทานเลยประทานศีและสิกขาคือประทานศีลที่เป็นหลักท่านเรียกว่าปาดโมกสังวรศีนเขาไว้บอกว่าเขียนบอกว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ประทานกุศลศีลแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็จะไปเกลื่อนกล่นในใบพูมิยู่มะก็คือจะไปตกอบใบภูมินี่ยเขาเรียกปาตีบุคคล ปาฏิบุคคลคือบุคคลที่ต้องตกไปในอบายภูมิและตกไปในสังสารวัตรมีสองส่วนคําว่าตกไปคํานั้นคือตกไปในใบยภูมิก็คือตกไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรต เ, เป็นสุรกายแล้วก็ตกไปในสังสารวัตรพบน้อยพบใหญ่อย่างยาวไกลนี่เขาเรียกปาฏิบุคคลเพราะอะไรเพราะไม่มีปาฏิโมกสังวรศีลคือไม่มีศีลที่จะเป็นปัใจจัยให้การพ้นจากการตกไป แล้วก็ไม่ตั้งมั่นในกุศลศีลเราก็เลยรักษาศีลกันแบบประเพณีเลยรักษาศีลแบบประเพณีก็คือเอาสมาทานเสร็จก็จบแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะเดินกุศลศีลได้จริงในชีวิตจริงไอ้ตัวเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่โตมากเลยอ่้องจะเดินยังไงเห็นไหมว่าพระบรมศาสดาบอกว่าปฏิโมกสังวานศีลศีลคือการสำรวมปฏิโมกเนี้ย แล้วก็มองไม่รู้อีกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมว่าเอเจตนาก็เป็นศีลเจตสิกก็เป็นศีลสังวรก็เป็นศีลนวิติกมะเจตนาคือการเจตนาความจงใจความตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าสับลักทรัพย์เป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นศีลเจตสิกก็คือเวรตีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะเนี่ยอนัพพิชาความไม่โลภอัพยาบาทความไม่โกรธสัมมาทิฏฐิก็ยังเป็นศีลเลยในชั้นเนี้ย ตัวสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่าถ้าทํากรรมดีแล้วเนี่ยจะได้รับผลดีทํากรรมชั่วแล้วจะได้รับผลชั่วกรรมมสกากรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นในชั้นศีลในชั้นศีลอย่างไงคือไปพิจารณาว่าว่าที่ว่ากรรมมสกาสตาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละเป็นอะไรสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละเป็นอะไรเป็น เป็นของของตนเยอะเนมากกว่แปลกันนอัฏฐะเนี่ยท่านมุ่งถึงประเด็นอะไรท่านมุ่งถึงประเด็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของตนเงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนเงินทองต่างๆทรัพย์สินใช่ไหมไรนาที่ดินใช่ทรัพย์สินใช่ใช่สมบัติของเราไหมเป็นสมบัติของเราชั่วที่ยังมีชีวิตอยู่ตาเห็น ทั้งๆบางคราวตาเห็นมีชีวิตอยู่นี่แหละแต่ก็ไม่เป็นของเราแล้วอย่างนี้เขาเรียกไม่ใช่เป็นของตนเองอย่างแท้จริงแต่สุดจริตกรรมทุจริตกรรมกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายกระทำทุกๆขนาจิตนี่แหละอันนี้ไงจักเป็นทรัพย์สมบัติที่ถาวรของสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏ ฉะนั้นเงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนต่างๆเหล่าเนี้ยมันไม่สามารถติดตามเราท่านทั้งหลายได้เลยเรานื้ว่าขนาดมีเงินมีทองต่างๆเดี๋ยวก็โดนลักโดนป้นโดนจี้โดนช่อราดบางหลวงหรือสารพัเยอะแยะหมดแต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยทุจริตกรรมก็จะตามเบียดเบียนท่ า, านทั้งหลายตามตัดรอนท่านทั้งหลายสุจริตกรรมก็จะตามส่งเสริมแล้วก็ตามอุปถัมภ์ท่านทั้งหลายเห็นไหมว่าสุจริตกรรมและทุจริตกรรม กุศลศีลเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นทรัพย์สมบัติถ้าท่านรักษาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่แน่นอนของท่านทั้งหลายที่จะท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏถ้าเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จคนก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้โหแล้วชีวิตใช่ไหมก็ถามว่าลาบสกาละเวัยว้ลาบสกาละทรัพย์สมบัติไม่สําคัญเท่ากุศลศีลใช่ไม่ใช่ เกุศลศีลเป็นสุจริตรกรรมเป็นกุศลกรรมเป็นเจตนากรรมที่เป็นไปกักุศลเป็นเจตสิกกุธรรมด้วยและเป็นความไม่โลภความไม่โกรธเป็นปัญญาด้วยตัวศีลต่างๆที่มีความเข้าใจอย่างนี้ที่เมื่อเกิดขึ้นในกระแสใจแล้วก็สามารถควบคุมกายกรรมวจีกรรมไม่ให้บา ป, ปรกรรมทั้งหลายเผยออกมาทางกายทวารและวิจิตรวานทั้งกายและทั้งวาจาเขาเรียกวันคุมสถานการณ์ได้ ถ้าอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายก็คุมสถานการณ์ตัวเองไม่ได้บางครั้งกายกรรมก็ไปทําบาปวาจีกรรมก็พูดบาปมโนกรรมก็เป็นบาปอยู่ตลอดเวลาเพราะไปเข้าใจผิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นอกุศลกรรมนี้ฉั้นถ้าเรามาพิจารณ า, างี้ก็จะเห็นว่าต่อไปจะหวงจะมโนสิการจะจะสังวรจะระวังมากว่าสุจริตกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทาทางกายทางวาจาและ ทางใจอยู่ทุกๆขณะนี้แหละจะเป็นสมบัติของตนแล้วก็ตามอุปถัมป์ตามให้ผลที่จะเป็นไปในสังสารวัฏจะเป็นสารณะจะเป็นที่พึ่งได้อย่างเงี้ยนะนี่ก็เริ่มเข้าใจว่า น, นี้เป็นธรรมมังสารนังกชามีเนศะศีนเนี่ใช่ไหแล้วบอกธรรมมังทะระนังกชามีข้าพเจ้านมันส ก, การพระธรรมมองไม่เห็นว่าพระธรรมคืออะไรเลยใช่ไม่ใช่ตัวกุศลศีลเป็นต้นนี่ก็คือเป็นพระธรรม สมาธิที่เกิดในใจเป็นต้นก็คือพระธรรมปัญญาที่เกิดในกระแสใจของท่านทั้งหลายก็เป็นพระธรรมใช่ไตัวสิกขาสามนั่นแหละเป็นพระธรรมเป็นพระธรรมคุณที่ท่านใช้คำว่าโอปะนะยิโกเนี่ยก็คือน้อมเข้ามาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือโลกุตละธรรมแต่เบื้องต้นนั้นเดินอะไรเดินโลกิยาที่เป็นสิกขาสามแถ้าพิจารณาอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าโอ้นี่ไง สุจริญกรรมและทวดเจริญกรรมเนี่ยมันจะเป็นสมบัติของสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมถ้าสัตว์ทั้งหลายทําสุจริญกรรมที่เป็นกุศลศีลกุศลศีลอยสําคัญกว่าทรัพย์กุศลศีลสําคัญกว่าวายว่าไหมสําคัญกว่าไหมเอาวัยว่ามันก็แตกดับเฉพาะในภพนี้เท่านั้นใช่ไหมใช่แต่ตัวกุศลศีลที่รักษาดีแล้วกุศลกรรมทั้งหลายก็จะตามส่งเสริม อุดหนุนประคับประคองกระแสขันทาตอยยตนาของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปในสังสารวัตที่สุดจริงๆจะทําให้เราพ้นจากสังสารวัตเป็นต้นได้นี่มันเห็นคุณเห็นคุณของศีลตรงเนี้ท่านถึงบอกว่าถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็เลยจะได้เข้าใจว่าศีลสําคัญกว่าทรัพย์ศีลสาสสคัญกว่าอวัยวะศีลสําคัญกว่าชีวิตไหมเอาอะไรจะนึ่งนั่งนึกแล้วว่าชีวิตเนี่ย ชีวิตถ้าแตกดับไปใช่แต่ชีวิตมันก็เกิดใหม่อีกเพราะกิเลส ย, ยังไม่หมดในขันธสันดานแต่กุศลศีลที่มันทุศีลไปมันไม่มีศีลมันไปมีชีวิตใหม่กระแสะชีวิตใหม่ก็ถูกอากุศลกรรมไปเบียดเบียนเสียหายไหมเสียหายเนี่ยคนคิดไม่เป็นไปคิดว่าชีวิตมันสาคัญกว่าศีลไงก็เลยทิ้งศีลเอาชีวิตทั้งๆรักษาก็ไม่อยู่ บางคนก็ทิ้งศีลเอาอวัยวะบางคนก็ทิ้งศีลเอาญาติไ ว, ว้บางคนก็ทิ้งศีลเอาทรัพย์สมบัติไว้บางคนก็ทิ้งศีล เ, เอายอดถาบรรดาศักดิ์ไว้จบตรงนั้นไงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ถาวรใดๆเลยอะใช่ไหมถ้ามาพิจารณาอย่างนี้พอยัมองเห็นไหมก็ลองไปวิจัยพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วก็จะเห็นความสําคัญว่าศีลสาคัญกว่าดังที่ได้กล่าวตรงนี้ว่าข้าพเจ้าขอนามสการที่บอกว่า แต่พระโรคกนาถพระองค์ใดผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณผู้กระทําสิ่งที่ทําได้ยากกระทากรรมทั้งหลายก็คือบําเพ็ญบารมีที่ทําได้ยากยิ่งนักตลอดกาลอ น, านับได้ประมาณไม่ได้แม้ด้วยหลายโกดกับคือพระบรมศาสดาเนี่ยสั่งสมอัธยาสายสร้างบารมีมาเนี่ยยีประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วถ่ายแจกกันมาเอามาบรรยายที่พอดียมก็ทํามาให้เรื่อง กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามาก็เลยขอยืมบรรยายก่อนเพราะมีเล่มเดียวเขาบรรยายตามนี้เบ็ดเสร็จแต่นี้ก็ไปอ่านเข้าใจใช่ไหมดีไหมก็ดีเลยหลายโกดกลับก็คือว่า20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากลับแต่ในคมภีร์ในเล่มนี้ท่านจะนับเรื่องการนับกลับเข้าไว้เราจะได้รู้จักว่าคุณของพระุทธเจ้ายัางไงใช่ไหมก็จะนับไปดูว่าโอ้แต่ละกลับนี่นับยังไงยังไงทรงถึงซึ่งความยากลําบาก เพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นขมาเนี่ยบางทียกยกหลายๆตัวอย่างที่พระบรมศ า, ศาสดาท่านสร้างบา ร, รมีบางทีเนี่ยการที่พระองค์สร้างทานบา ร, รมีศีลเนคกรมาเนี่ยเอาชีวิตให้ชีวิตเป็นฐานได้มันพิจารณาดูถ้าคนสามารถสละชีวิตให้เป็นฐานได้แล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดแล้วรักษาศีลก็สามารถสละชีวิตได้ บัเพนเน่คัมมาก็สละชีวิตได้บังเพนปัญญาบารมีก็สละชีวิตได้บังเพนวิริยะก็สละชีวิตได้บังเพนขันติก็ทิ้งชีวิตได้บังเพนสัจจะก็ทิ้งชีวิตเลยเห็นไหมเอาสัจจะไว้ไม่เอาชีวิตเอาทานบารมีไว้ไม่เอาชีวิตไว้เอาศีนบารมีไว้ไม่เอาชีวิตต้องมาไล่ดูนี่เอาเน่คัมมาบารมีไว้ไม่เอาชีวิตทิ้งชีวิตเลยเอาปัญญาบารมีไว้ทิ้งชีวิต เอาวิริยะบารมีไว้แต่ทิ้งชีวิตเงี้ยนะียอมทิ้งชีวิตเนะี้ยเอาขันติสัจจะอธิฐานน้ำเมตตาไว้เอาอุเบกขาบารมีเอาอุปบารมีสิปรมัตถบารมีสิบไว้แต่สละชีวิตมาอย่างยาวไกลก็ลองดูว่าควักดวงตาให้เป็นทานมากกว่าดาวบนท้องฟ้าควักหัวใจให้เป็นทานเนี่ยมากกว่าผลมะม่วงในชมพูตะวีหรือในจักรวาลเนี่น้อพิจารณาโอ้โหดูนี่ถามว่า ถ้าเราไปศึกษาแต่ละชาติเวลาท่านควักดวงตาโอ้ไม่ใช่เรื่อง ง, ง่ายเลยเพราะว่าให้ยเอาหมอเอายาหยอดตาค่อยๆหลุดออกมาใช่ไปวดไหมปวดคมด้วยขันติบารมีไม่ยอมถอนเป็นสัจจะบารมีตั้งมั่นเป็นอธิษฐานบารมีอดทนเป็นขันติใช่ั้มมีปัญญาพิจารณาถึงสัมมาสัมโพธิญาณเป็นปัญญาบารมี ไม่ยอมให้กุศลศีลเสียเป็นศีลบรารมีสละทา น, นนั้นเป็นอุป ป, ปารามีสละชีวิตเป็นป ร, ม, รมัตถบารมีโอ้โหตาก็ค่อยๆหลุดออกมาให้หมอยอดอีกก็ค่อยๆร่วงออกมาทรมานกว่าเก่ากทรมานกว่าเก่านะัเข้านัเข้าก็ให้หมอตัดขอแล้วก็ใส่ให้ดูต่อหน้าแล้วขอเอามาดูก่อนขอตาข้างหนึ่งมาดูก่อนพอดูนะคม ทุกเวทนาได้ปราโมดเกิดปีติเกิดปัะสิทธิเกิดความสุขเกิดว่าเราได้ดีแล้วนาะทานของเราบริสุทธิ์นาะเราให้อวัยวะเป็นทานในครั้งนี้ยขอให้เป็นปัจจัยเกิดสัมมาสัมปวียาณเถอะเพื่อช่วยสัตว์โลกในหะ้ออกจากสังสารวัฏใจแบบนี้ใจแบบนี้ถ้าเรามาพิจารณาดูที่ว่าเราจะหาใครที่ทําแบบนี้แล้วหนักเขาก็เอาอีกข้างนึงเนี่ยเอาอีกข้างนึงให้อีก ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้เห็นว่านี่ไงพระบรมศาสดารัากว่าจะมีพระธรรมมาใช่ไหมข้าพระเจ้าขอนามส ก, การแด่พระธรรมอันประเสริฐนั้นที่พระผู้มีพระเจ้าทรงเสพอยู่เป็นนิจเสพคือบริโภคบริโภคก็คือกินคือเสวย ถามว่าสติปัฏฐานสมัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรทีพราพโอชงอริยมรสมาบัตสองล้าน4ี่แสนโกศสมาบัตทั้งหลายที่พระบรมศาสดาทรงบริโภคทรงใช้สอยอยู่เป็นนิดกระแสของพระธรรมเทศนาที่ออกจากพระโอษของพระบรมศาสดากลันจากหาไทยของพระบรมศาสดานี่คือมหากริยาญาณสามัมบยตที่ตั้งอยู่ในหาไทยแย้วถูนี่กลั่นพระธรรมเทศนาออกมา 84% 00มพันพระธรรมขันนี่นั่นแหละกลันจากพระไทยของพระบรมศาสดาออ ออกจากพระโอษฐ์เป็นพระธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังกันอยู่ทุกวันเนี้ยนั่นแหละคือพระธรรมของพระบรมศาสดาใครที่ฟังธรรมของพระบรมศาสดาแล้วได้บรรลุโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลเป็นต้นจนถึงอาราธมักอาราธบุญเขาเรียกว่าพระธรรมเนรมิตรพระธรรมเนรมิตรท่านผู้นั้นไปเป็นพระโสดาบันสกทานั่นแหละเขาเรียกเกิดแต่อกของพระบรมบรมศาสดาเกิดเกียรตหะไทย ของพระบรมศาสดาก็คือมหากริยาญาณสามยุศของพระบรมศาสดานั่นแหละที่ตั้งอยู่ในหัตยาวะฑูตนั่นแหละการะธรรมเทวัศนาออกมาใช่ไหมผ่านพระโอษนะนั่นแหละบอกว่าเกิดแต่พระโอษคือพระโอษของพระบรมศาสดาก็ แปล่งพระธรรมแล้วก็มีพระธรรมออกจากพระโอษของพระบรมศาสดาก็เนรมิตจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันเนืจากพระโสดาบันเป็นพระสกาทาคาจากพระสกาทาคาเป็นพระนาคาจากพระนาคาเป็นพระรหันฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าพุทธบุตรเนี่ยพุทธชิโนรสเนี่ยบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระบรมศาสดานั่นแหละทำให้เกิดเกิดแต่อกเกิดแต่พระโอษแล้วก็พระธรรมก็เนรมิตขึ้นนี่เป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างนี้ เพราะอะไรเพราะบระมาศาสดาที่สั่งสมบารมีมาอย่างยาวไกล20่สประสงค์ขายยิ่งโดยแสนกับเนี่ยพระองค์มองเราท่านทั้งหลายประดุดดังบุตรเนี่ยเป็นบุตรของท่า น, นถามบอกว่าบุตรเนี่ยจะประทุษร้ายบิดาบิดาก็ไม่เคยโกรธทําไมเวลาที่ท่านเดินก็หาเสือให้เสือกินก็ได้ท่านเดินก็หายักให้เขาทรมานก็ได้เขาเดินก็หาคนพาณิชย์เขาทุบเขาตีก็ได้ เพราะและท่านไม่เคยโกรธเลยอ่ะท่านมองทุกคนเป็นบุตรของท่านหมดท่านคิดในใจตลอดเวลาว่าเราตัดสู้แล้วจักให้คนที่บัตุสลายบุตรของเราผู้นี้ได้ตัดสู้ตามด้วยแม้พระเทวทัตเบียดเบียนท่านมาอย่างยาวนานเห็นไหมเบียดเบียนอย่างยาวนานเลยไม่ทุกภพทุกชาติเลยเราฟังคําสอนกันมาใหญ่ฉันแม้ในชาติสุดท้ายแต่ดูพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณ ฝังพระเทวทัตนะถึงแม้จะตกอเวจีหมหานรกนะแต่อีกการอันนับไม่ได้เนี่ยนะอีกยาวไกลมากเนละที่สุดจริงๆเนี่ยด้วยอัธยาศัยที่เคยปฏิบัติตามวิธมที่พระบรมศา ส, สดาอบรมพระธมสอนเนี่ยพระเทวทัตจะได้เป็นพระปเจ้าพระเจ้ามีนามว่าอัตถิสาระจะพ้นจากวัฏทุกข์ได้เราเนี่ยยังไม่ได้รับพยากรนะเนี่ยพวกเราเนี่ยพระเทวทัตยังได้ใช่ไหมถึงไม่ไปลงอเวจีใช่ไหม ทีนี้อกุศลกรรมเนี่ยนี่มาพูดให้ฟังนะมันน่ากลัวยังไงรู้ไหมพูดส่วนอกุศลกรรมส่วนกุศลกรรมไปคิดเองเขาเรียกว่าอุปปัณนะอกุศลอกุศลกรรมเก่าทุจริตเก่าที่เอามาพูดไปทำใช่ไหมบาปเก่าในสังสารวัตรที่ทํามาแล้วท่านบอกว่ากรรมที่เราไม่เคยทําไม่มีใช่ไหมพุทธพจน์ว่าอย่างนั้นเลย ไม่เคยมีอะไเวกยกเว้นน่ะมักคกรรมกรรมที่จะทําให้เป็นพระโสดาบันสกาธานะคะเป็นพระราษกรรมเหล่านี้ไม่เคยเกิดในกระแสใจเราเลยในโลกียกรรมทั้งสิ้นเราทําหมดโลกียกรรมนั้นเป็นทั้งกุศลกรรมส่วนหนึ่งและเป็นทั้งอกุศลกรรมส่วนหนึ่งนี่อามาจะพูดถึงในด้านของอกุศลกรรมอกุศลกรรมนั้นที่เราทํามาเล็กๆน้อยๆเยอะแต่ที่ทําหนักๆมีอยู่5้ากรรมมาตุคาตฆ่าแม่ปีตุคาตฆ่าพ่อ อรหันตคาตฆ่าพระอารหันต์โลหิตตุปรบาททำร้ายพระพุทธเจ้าให้ยังวรอยยังโลหิตให้่้อฆนะ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ ร, ระอรหันต์ปัสสาวะร้ายแล้วก็ทำสังฆเภทกรรมห้าอย่างนี้เราเชื่อหรือไม่ในสังสารวัฏกรรมเหล่านี้เราได้แตะต้องไปเรียบร้อยแล้วกระแสขันเหล่านี้ได้เคยทำกรรมเหล่านี้มาแล้วแล้วในภพที่สอง ให้สัตว์นั้นลงเอเวจีมาอย่างยาวนานเลยชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่หกยังมีกำลังอยู่จำได้ไหมบริวารของสุพรหมเทพพบุห้าร้อยเก็บดอกไม้อยู่บนจะดาวดึงแป๊บเดียวตายหมดไปห้าร้อยเหลือห้าร้อยสุพรหมเทพบุตรสะดุ้งเนืเ้อเียด้วยตนเองที่มีเทวดามีบุญหน่อย มองไปอยู่ไหนอเวจี A G. ลงได้ยังไงอยู่บนสวรรค์ลงอเวจี G. ได้ยังไงไปคิดถ้าไม่ใช่อนันตเรียกรรมที่เป็นไปในด้านของอปราปราเวทนียกรรมให้ผลแล้วท่านจะคิดกันยังไงก็เทวดายัางลงอเวจี G. ได้แล้วมนุษย์อย่างเราถ้าประมาทน่ากลัวไหม อันนี้ถ้าคิดพระธรรมเป็นนะจะน่ากลัวถ้าคิดพระธรรมไม่เป็นจะไม่น่ากลัวแต่ถ้าเข้าใจพระธรรมมุมเนี้ยไอ้ไฟตัวเนี้มันจะเผามาข้างหลังเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยเขาเรียกไฟมันล้อมหลังมาแล้วล้อมมาทุกภ พ, พทุกชาตินี้ตอนนี้มาติดภ พ, พนี้แนะ้วเขาเรียกว่าไหมหมดแล้วเนี่ยนะด้านหลังเนี่ยไฟมันใกล้แล้วทุกขตินิมิตเนี่ยมันจะตามมาทางทวารตา ห, ง ห, งหงัวใจอกเล่นกายใจมันรอเผือเมื่ อ, อไหร่มันก็ให้ถ้าไม่ไม่เผื่อก็ให้ไม่ได้นะแต่อย่าเผือ เผอในที่นั้นคืออย่าไปทําบาปในปัจจุบันนะบทีนี้อันนั้นเขาเรียกว่าอุ ป, ปันณาอกุศลอกุศลเก่าบาปเก่าทุจริตเก่าที่ทำมาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วตามให้ผลอย่างเดียวเหมือนสุ น, นัขซี ด, ดําวิ่งไล่มาแล้วตอนนี้เราก็วิ่งหนีมันอยู่มันจะโดดกัดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เนี่ยนะ น, นี่เป็นอย่างนี้นะประการต่อไปนี่ไปข้างหน้าอนุ ป, ปันณาอกุศล บาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่กายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตใหม่ๆที่จะทําต่อไปในวินาทีข้างหน้าเอาละสิแนี้ใครที่มีปฏิโมกสังวรศีลดีใครที่มีอินเดียสังวรศีลดีใช่ไหมก็สติก็แข็งแรงถ้าอินเดียอินเดียสังวรศีลดีสติก็เป็นประธานเจตนาศีนเจตสิกศีนสังวรอวิติกมะ ใจก็ไม่เป็นใบกระบาบใช่ไหมได้เห็นรูปยินได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกอารมณ์หกต่างๆที่ไหลเข้ามี ท, า ท, าทั้งทวารทั้งหกก็มีสติสัมปชัญญะที่จะสามารถป้องกันไม่ให้ราคาโทสะโมหะหมุนเข้าสู่กระแสจิตเอาถีถ้าอย่างนี้ก็ทุจริตใหม่ก็จะไม่เกิดแต่โดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าไม่เป็นอันนี้แหละทุจริตใหม่บาปใหม่กุศลกรรมใหม่ มันจะไปเชื่อมต่อกับอกศุศลเก่าทุจริตเก่าซึ่งมันรอจังหวะอยู่ใครช่วยเราได้ถ้าไม่ใช่พรุทธเจ้าใช่ไหมตรงนี้ต้องสัตทินรียต้องแข็งแรงไหมสัตทินรียต้องแข็งแรงต้องมั่นคงต้องตั้งมั่นต้องไม่หวั่นไหวในคุณของพระบรมศาสดาใจต้องมุ่งมั่นจริงๆถ้าไม่มุ่งมั่นจริงๆเราจะไม่สามารถนำบธรรมนะั่นอยู่ในกระแสะใจเราได้จริงๆเลยแล้วต้องเห็นขูเห็นโทษ ต, ตรงนี้ด้วย อันนี้ก็ไปใค่ควรไปคิดอันนี้ต้องคิดนานๆด้วยนะตอนนี้ฟังเนี่ยอาจจะคิดไม่ทันนะเพราะอามาบางทีอามาพยายามจะไม่ไม่พูดเร็วเนี่นงะแต่ถ้าเอาไปฟังบ่อยๆแล้วเราจะคิดออกและถ้าคิดออกวันไหนเนี่ยอามาไม่ต้องมากระตุ้นท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเร่งเต็มที่แล้วก็จะต้องเร่งฟังทำแล้วก็จะเร่งขัดเกลาโดยเองแล้วจะรู้แล้วว่าอะไรคือสารณะที่แท้จริง และศรัทธาจะเริ่มตั้งตั้งแข็งแรงมากกว่าเดิมเพราะอะไรธรรมชาติของศรัทธาได้บอกไว้แล้วใช่ไหมผ่องใสทําธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนเองไม่ผ่องใสไม่พอกิจของศรัทธาคือเด็ดเดียวตัวเขาเองน่ะเด็ดเดียวเชื่อต่อสัตยะะ์เยาว์ถุคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปริยสง่งแล้วก็ทําสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนเองให้เด็ดเดียวด้วยดุดทหารกล้าทหารกล้าเนี่ยเวลาน้ําท่วมปุบ๊บมีจระเข้เต็มไปหมดเนี่ยนะคนก็รีรอไม่กล้าจะข้ามฝั่ง ทหารกล้าก็จะมีดาบมีอาวุธต่างๆเอออกมาก็สามารถปาดปันให้จระเข้หรือสัตว์ร้ายทั้งหลายก็เจิงหนีไปได้ฉันใดศรัทธาก็เหมือนกันก็นําสภาวธรรมต่างๆคือพัสสวาอทนาสัญญาเจตนาเอกขตาชีวิตินทรีมาแล้วสิครับพิวิจารณ์ในทิโมกเวริยาปีติฉันทะันกล้ากกลัวสภาวธรรมเหล่านี้ก็ทําสติหิริโอตปาอโลพาอะโทสะตัตธรรมชะตาใช่ไหมกายยะสติเนี่ย มุ่งหน้าเลย น, นยีก็เด็ดเดียวด้วยแล้วก็ทำสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกมับตมให้เด็ดเดียวดุจทหารกล้าเลยแล้วตอนนี้เรากล้าไหมกล้าจะกล้าจนออกจากอาสัตยยะความไม่มีศรัทธาไหม